จากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรมีชารามรณะจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยชารามรณะจึงมีเพราะทรงมนัิการโดยแยบคายจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อชาติความเกิดมีชารามรณะจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชารามรณะจึงมีจากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรมีชาติจึงมี เพราะอะไรเป็นปัจจัยชาตจึงมีเพราะทรงมนสิกานโดยแยบคายจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อพบความมีความเป็นมีชาต จ, จึงมีเพราะพบเป็นปัจจัยชาตจึงมีจากนั้นทรงพระดำริ ว, ว่าเมื่ออะไรมีพบจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยพบจึงมีเพราะทรงมนสิกานโดยแยบคายจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่า เมื่ออุปทานความยึดมั่นถือมั่นมีพบจึงมีเพราะอุปทานเป็นปัจจัยพบจึงมีจากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรมีอุปทานจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีเพราะทรงมนสิการโดยแยบคายจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อตัญหาความอยากมีอุปทานจึงมีเพราะตันหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมี จากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรมีตัณหาจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะทรงมนสิการโดยแยบคายจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อเวทนาความรู้สึกมีตัณหาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีจากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรมีเวทนาจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยเวทนาจึงมี พระทรงมนุิกการโดยแยบคายจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อผัสสะสัมผัสมีเวทนาจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีจากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรมีผัสสะจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีพระทรงมนุิกการโดยแยบคายจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อสลา ย, ยตนะ อ, นอนิยตนะหกมี ภัษะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยภัษะจึงมีจากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรมีสลายญาณะจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยสลายญนณะจึงมีเพราะทรงมานาิการโดยแยบคายจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อนามรูปนามธรรมและรูปธรรมมีสลายาาณะจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัย สลายตนะจึงมีจากนั้นทรงพระดำริวา่าเมื่ออะไรมีนามรูปจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะทรงมนสิการโดยแยบคายจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาวา่าเมื่อวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์มีนามรูปจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีจากนั้นทรงพระดำริวา่า เมื่ออะไรมีวิญญาณจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะทรงมนุิการโดยแยบคายจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อนามรูปมีวิญญาณจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีจากนั้นทรงพระดําริว่าวิญญาณนี้ย่อมหมุนกลับมาจากนามรูปเท่านั้นไม่เลยไปกว่านั้นเพราะความหมุนกลับเพียงแค่นี้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 ชรามรณะจึงดับเพราะทรงมนสิการโดยแยบคายจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อชาติไม่มีชรามรณะจึงไม่มีเมื่อชาติดับชรามรณะจึงดับจากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรไม่มีชาติจึงไม่มีเพราะอะไรดับชาติจึงดับเพราะทรงมนสิการโดยแยบคายจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อพบไม่มีชาติจึงไม่มี เพราะพบดับชาตจึงดับจากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรไม่มีพบจึงไม่มีเพราะอะไรดับพบจึงดับเพราะทรงมนติการโดยแยบคายจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่ออุปทานไม่มีพบจึงไม่มีเพราะอุปทานดับพบจึงดับจากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรไม่มีอุปทานจึงไม่มีเพราะอะไรดับอุปทานจึงดับ เพราะทรงมนัสิการโดยแยบคายจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อตัณหาไม่มีอุปทานจึงไม่มีเพราะตัณหาดับอุปทานจึงดับจากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรไม่มีตัณหาจึงไม่มีเพราะอะไรดับตัณหาจึงดับเพราะทรงมนัสิการโดยแยบคายจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อเวทนาไม่มีตัณหาจึงไม่มี เพราะเวทานาดับตัณหาจึงดับจากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรไม่มีเวทนาจึงไม่มีเพราะอะไรดับเวทนาจึงดับเพราะทาง ร, ะท ร, ระทงมนัสการโดยแยบคายจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อผัสสะไม่มีเวทานาจึงไม่มีเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับจากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรไม่มีผัสสะจึงไม่มี เพราะอะไรดับพัรษาจึงดับเพระทรงมนสิการโดยแยบคายจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อสลายตนะไม่มีพัรษะจึงไม่มีเพราะสลายตนะดับพัรษะจึงดับจากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรไม่มีสลายตนะจึงไม่มีพเพราะอะไรดับสลายตนะจึงดับพระทรงมนัสจการโดยแยบคายจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่า เมื bon. ่อนามรูปไม่ม no. ีสลายตระณจึงไม่มีเพราะนามรูปดับสลายตระณจึงดับจากนั <c oughs> ้นทรงพระดําร <grad> ิว่าเมื่ออะไรไม่มีนามรูปจึงไม่มีเพราะอะไรดับนามรูปจึงดับเพราะทรงมนสิกานโดยแยบคายจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อวิญญาณไม่มีนามรูปจึงไม่มีเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับ จากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรไม่มีวิญญาณจึงไม่มีเพราะอะไรดับวิญญาณจึงดับเพราะทรงมนัิการโดยแยบคายจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อนามรูปไม่มีวิญญาณจึงไม่มีเพราะนามรูปดับวิญญาณจึงดับจากนั้นทรงพระดำริว่าทางเพื่อความตรัสรู้เราได้บรรลุแล้วคือเพราะนามรูปดับวิญญาณจึงดับ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 ทำที่เราบรรลุแล้วนี้ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบปราณีตไม่ใช่วิสัยตักกะละเอียดบัณฑิตจึงจะรู้ได้ก็แลหมู่ประชานี้เป็นผู้รื่นรมในอาไลยินดีในอาไลเพลิดเพลินในอาไลสำหรับหมู่ประชาผู้รื่นรมในอาไลยินดีในอาไลเพลิดเพลินในอาไลฐานะอันนี้เป็นสิ่งที่เห็นได้ยาก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 จะพึงเป็นความลำบากเปล่าแก่เราอันหนึ่งเล่าอานัชริยะคาถาคาถาอันน่าอัศจรรย์เหล่านี้ที่ไม่ทรงสดับมาก่อนได้ปรากฏแจมแจ้งแก่พระวิปัสสีพุทธเจ้าว่าอานัชริยะคาถา บัดนี้เรายังไม่ควรประกาศธรรมที่เราได้บรรลุด้วยความลำบากเพราะธรรมนี้ไม่ใช่ธรรมที่ผู้ถูกราคะและโทสะครอบเมจะรู้ได้ง่ายแต่เป็นธรรมพาทวนกระแสะละเอียดลึกซึง้งรู้เห็นได้ยากปราณีตผู้กำหนัดด้วยราคะถูกกองโมหะหุ้มห่อไว้จะรู้เห็นไม่ได้ เมื่อทรงพิจารณาดังนี้พระไทยก็น้อมไปเพื่อจะประทับอยู่เฉยมิได้น้อมไปเพื่อจะทรงแสดงธรรมครั้งนั้นเท้ามหาพรหมองหนึ่งกาหนดรู้พระราพึงของพระวิปัสสีพุทธเจ้าด้วยใจจึงคิดว่าท่านผู้เจริญโลกจะชิบหายหนาโลกจะพินาศหนาเพราะพระวิปัสสีพุทธเจ้าทรงน้อมพระไทยไปเพื่อจะประทับอยู่เฉย มิได้น้อมพระไทยไปเพื่อจะทรงแสดงธรรมจึงได้หายตัวไปจากพรหมโลกมาปรากฏเฉพาะพระพักของพระวิปัสสีพุทธเจ้าเหมือนบุรุษมีกำลังเยียแคนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นแล้วจึงห่มผ้าชวีงบ่าคุกเข่าเบื้องขวาลงบนแผ่นดินประนมมือไปทางพระวิปัสสีพุทธเจ้าแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ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 แม้เราเองก็มีความดำริว่าทางที่ดีเราควรแสดงธรรมแต่ก็ามาคิดว่าธรรมที่เราบรรลุแล้วนี้ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบปราณีตไม่ใช่วิสัยตักกะละเอียดบัณฑิตจึงจะรู้ได้ก็แลหมูประชานี้เป็นผู้รื่นรมในอาไลยินดีในอาไลเพลิดเพลินในอาไลสาหรับหมูประชาผู้รื่นรมในอาไล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 แต่เป็นธรรมพาทวนกระแสละเอียดลึกซึ้งรู้เห็นได้ยากประณีตผู้กำนัดด้วยราคะถูกกองมงหะหุ้มห่อไว้จักรู้เห็นไม่ได้เมื่อเราพิจารณาดังนี้ใจก็น้อมไปเพื่อจะอยู่เฉยไม่ได้น้อมไปเพื่อจะแสดงธรรมแม้ครั้งที่สองท้าวมหาพรมด้วยกราบทูลพระวิปัสสีพุทธเจ้าดังนี้ว่า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 ผู้มีอาการดีผู้มีอาการซามสอนให้รู้ได้ง่ายสอนให้รู้ได้ยากควรสั่งสอนไม่ควรสั่งสอนบางพวกมักเห็นปรโลกและโทษว่าน่ากลัวบางพวกไม่เห็นปรโลกและโทษว่าน่ากลัวในกออุบลในกอปทุมหรือในกอบุญทริกดอกอุบลดอกปทุมดอกบุญทริก บางดอกที่เกิดในน้ำจเจริญในน้ำยังไม่พ้นานา้ำจมอยู่ใต้น้ำและน้ำหล่อเลี้ยงไว้ดอกอุบลดอกปทุมดอกบุญทริกบางดอกที่เกิดในน้ำจเจริญในน้ำนนน อ, ยนานาอยู่เสมอน้ำดอกอุบลดอกปทุมดอกบุญทริกบางดอกที่เกิดในน้ำเจริญในานา้ำอยู่พ้น น, น้าไม่แต่น้ำชันใด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 บางพวกเห็นปรโลกและโทษว่าน่ากลัวบางพวกไม่เห็นประโลกและโทษว่าน่ากลัวฉันนั้นครั้งนั้นท้าวมหาพรมทราบพระรำพึงของพระวิปัสสีพุทธเจ้าด้วยใจจึงเดือกราบทูลด้วกคาถาทั้งหลายว่าข้าแต่พระองค์ผู้มีพระปัญญาดีมีพระสมรตจักขุบุรุษผู้ยืนอยู่บนยอดภูเขาสิลาลวน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 เพราะเราสำคัญว่าจะลำบากจึงไม่ได้แสดงธรรมที่ปราณีตคล่องแคล่วในหมู่มนุษย์ขณะนั้นท้ามหาพรหมได้ทราบว่าพระวิปัสสีพุทธเจ้าได้ทรงประทานโอกาสเพื่อจะทรงแสดงธรรมแล้วจึงถวายอภิวาทกระทําประทักษิณแล้วหายไปณที่นั้นเอง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 ทางที่ดีเราพึงแสดงธรรมแก่เธอทั้งสองก่อนเธอทั้งสองจักรู้ธรรมนี้ได้ฉับพลันพระวิปัสสีพุทธเจ้าทรงหายไปจากควงต้นโพมาปรากฏที่เขมะมรุกไทยวันในกรุงพันธุมดีราชธานีเหมือนบุรุษมีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นได้รับสั่งเรียกคนเฝ้าสวนมาตรัสว่ามานีเถิดนายทยบาล เธอจงเข้าไปยังกรุงพันธุมดีราชธานีบอกราชโอรสพระนามว่าขันทะและบุตรปุโรหิตชื่อติสสะว่าพระวิปัสสีพุทธเจ้าเสด็จถึงกรุงพันธุมดีราชธานีประทับอยู่ที่เขมมมรุกขไทยวันมีพระประสงค์จะพบท่านทั้งสองนายทยบาลทูลรับสนองพระดํารัสแล้วเข้าไปยังกรุงพันธุมดีราชธานี กราบทูลแก่พระราชโอรสพระนามว่าขันทะและบอกบุตรปุโรหิตชื่อติสสะดังนี้ว่าพระวิปัสสีพุทธเจ้าเสด็จถึงกรุงพันธุมดีราชธานีประทับอยู่ที่เข็มมะมรุกทายวันมีพระประสงค์จะพบท่านทั้งสองพระราชโอรสพระนามว่าขันทะและบุตรปุโรหิตชื่อติสสะสั่งให้บุรุษเทียมยานพานะคันงา ม, งาม แล้วขึ้นยานพาณะคันงามออกจากกรุงพันธุมดีราชธานีพร้อมกับยานพาณะคยนง า, งามติดตามอีกหลายคันขับตรงไปยังเข ม, มรมรดกไทยวรรจนสุดทางที่ยานพาณะจะเข้าไปได้แล้วลงจากยานเดินตรงเข้าไปเฝ้าพระวิปัสสีพุทธเจ้าถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระวิปัสสีพุทธเจ้าตรัสอนุปุิกถา แก่พระราชโอรสพระนามว่าคันทะและบุตรปุโรหิตชื่อติสะเหล่านั้นคือทรงประกาศ 1. ทานกถาเรื่องทาน 2. สศีลกถาเรื่องศีล 3. สัขขกขกถาเรื่องสวรรค์ 4. กามาทีนวะกถาเรื่องโทษความต่ำทามความเศร้าหมองแห่งกาม 5. เนกขัมมานิสังสกถา เรื่องอนิสง์แห่งการออกจากกามเมื่อทรงทราบว่าพระราชโอรสพระนามว่าคันทะและบุตรปโรหิตชื่อติสสะมีจิตควรบรรลุธรรมอ่อนปราศจากนิวรณเบิกบานผ่องใสจึงทรงประกาศสามุกังสิกะธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคือทุกสมุทัยนิโรธมักธร้ามจากสุปราศจากทุรี ปราศจากมูลทินได้เกิดขึ้นแก่พระราชโอรสพระนามว่าขันธะและบุตรปุโรหิตชื่อติสสะณอาสนะนั้นแล้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาเหมือนผ้าขาวสะอาดปราศจากมูลินควรรับน้ําย้อมได้เป็นอย่างดีพระราชโอรสพระนามว่าขันธะและบุตรปุโรหิตชื่อติสสะ เห็นทำแล้วบรรลุทำแล้วรู้ทำแล้วยังลงสู่ทำแล้วหมดความสงสัยแล้วปราศ จ, จากความแคลงใจถึงความเป็นผู้แกล้ า, ลาไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระาศาสดาได้กราบทูลพระวิปัสสีพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ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 พึงได้การอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคพระราชโอรสพระนามว่าขันทะและบุตรปุโรหิตชื่อติสสะในการบรนประชาได้การอุปสมบทในสำนักของพระวิปัสสีพุทธเจ้าพระองค์ทรงชี้แจงให้ภิกษุเหล่านั้นเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาจฐารกแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาแล้ว ทรงประกาศโทษความต่ำซามความเศร้าหมองของสังขารและอนิสง์ในนิพานจิตของพระราชโอรสพระนามว่าขันทะและบุตรปุโรหิตชื่อติสสะอันพระวิปัสสีพุทธเจ้าทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาจหาแกล้ากล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคถาไม่นานนัก ก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นมหาชนออกบวชภิกษุทั้งหลายมหาชนในกรุงพันธุมดีราชธานีประมาณ 84,000 คนได้ทราบข่าวว่า พระวิปัสสีพุทธเจ้าเสด็จถึงกรุงพันธุมดีประทับอยู่ที่เข ม, มรมรกธายวันพระราชโอรสพระนามว่าขันทะและบุตรปโรหิตชื่อติสสะโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากพระราชวังและเรือนบวชเป็นบรรพชิตในสำนักพระวิปัสสีพุทธเจ้าจึงคิดกันว่าพระธรรมวินัยและการบรรพชาที่พระราชโอรสพระนามว่าขันทะ และบุตรโปรหิตชื่อติสสะโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัทออกจากพระราชวังและเรือนบวชเป็นบนรรพชิตนั้นคงจะไม่ต่ําสามคนระดับพระราชโอรสพระนามว่าขันทะและบุตรโปรหิตชื่อติสสะโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัทออกจากพระราชวังและเรือนบวชเป็นบนรรพชิตได้ทําไมพวกเราจักบวชบ้างไม่ได้เล่า มหาชนประมาณแปดมืสีพันคนจึงชักชวนกันออกจากกรุงพันธุมดีราชธานีไปยังเขมมรดกไายวันเข้าไปเฝ้าพระวิปัสสีพุทธเจ้าถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระวิปัสสีพุทธเจ้าตรัสอนุปุปพิกถาแก่ชนเหล่านั้นคือทรงประกาศ 1. ทานกถา 2. ศีลกถา 3. สักขะกถา 4. กามาทีนวะกถา 5. เนคขมมานิสังสะกะถาเมื่อทรงทราบว่าชนเหล่านั้นมีจิตควรบรรลุอ่อนปราศจากนิวรณ์เบิกบานผ่องใสจึงทรงประกาศสามุ ก, กังสิกะธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคือทุก์สมุทัยนิโรธมักถ้ามาจากสุอันปราศจากทุลีปราศจากมลทิน ได้เกิดขึ้นแก่ชน 84,000 สี่พันเหล่านั้นณนะที่นั่งนั้นแล้วว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาเหมือนผ้าขาวสะอาดปราศจากมลทินควรรับน้ำย้อมได้เป็นอย่างดีชนเหล่านั้นเห็นธรรมแล้วบรรลุธรรมแล้วรู้ธรรมแล้วย่างลงสู่ธรรมแล้วหมดความสงสัยแล้ว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 มหาชนประมาณ 84,000 คนได้การบรรประชาได้การอุปสมบทในสำนักของพระวิปัสสีพุทธเจ้าพระองค์ทรงชี้แจงให้ภิกษุเหล่านั้นเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาถานแกล้ า, ลาปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคะถาแล้วทรงประกาศโทษความต่ำแามความเศร้าหมองของสังขารและอนิสงในนิพาน จิตของภิสุเหล่านั้นอันพระวิปัสสีพุทธเจ้าทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาจหารกแกล้วกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาไม่นานนักก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่น บรรพชิตรุ่นแรกที่บวชตามเสด็จบรรลุธรรมภิกษุทั้งหลายบรรพชิตประมาณ 84,000 พันรูปเหล่านั้นได้ทราบข่าวว่าพระวิปัสสีพุทธเจ้าเสด็จถึงกรุงพันธุมดีราชธานีประทับอยู่ที่เขมมะมรุกทายวันกำลังทรงแสดงธรรมจึงพากันไปยังเขมมมรุกทายวันกรุงพันธุมดีเข้าไปเฝ้าพระวิปัสสิุทธเจ้าถึงที่ประทับ วาอภิวาทแล้วนั่งนาที่สมควรพระวิปัสสีพุทธเจ้าตรัสอนุปุปพิกถาแก่บรรพชิตเหล่านั้นคือทรงประกาศ 1. ธทานกถา 2. สศีลกถา 3. สัขขกขกถา 4. ข้กามาทินวกถา 5. เนคขมมานิสังสะกถาเมื่อทรงทราบว่าบรรพชิตเหล่านั้นมีจิตควรบรรลุธรรมอ่อน ปราศจากนิวร์เบิกบานผ่องใสจึงทรงประกาศสามุกลางสิกะธรรมเทศนาะของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคือทุกสมุ ท, ทยัยนิโรธและมรรคธรรมจากสุอันปราศจากธุลีปราศจากมูลถิ่นได้เกิดขึ้นแก่บรรพชิต 84,000 สี่พันรูปเหล่านั้นณนะอาสนะนั้นแลวว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดา เหมือนผ้าขาวสะอาดปราศจากมลทินควรรับน้ำย้อมได้เป็นอย่างดีบรรพชิตเหล่านั้นเห็นทำแล้วบรรลุทำแล้วรู้ทำแล้วยังลงสู่ทำแล้วหมดความสงสัยแล้วไม่มีความแคลงใจถึงความเป็นผู้แกล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระาศาสดาได้กราบทูลพระวิปัสสีพุทธเจ้าดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ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 พวกข่าพระองค์นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะและพึงได้การบรรพชาพึงได้การอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคบ ร, รพชี ป, ประมาณ8 4 0 0พันรูปเหล่านั้นได้การบรรพชาได้การอุปสมบทในสำนักพระวิปัสสีพุทธเจ้าพระองค์ทรงชี้แจงให้ภิกษุเหล่านั้นเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัต เราใจให้อาหารแกล่ากล้าปลอบชฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีคาถาแล้วทรงประกาศโทษความต่ำทรามความเศร้าหมองของสังขารและอนิสงในนิพพานจิตของพิสุเหล่านั้นอันพระวิปัสสีพุทธเจ้าทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาหารแกล้ากลาปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีคถาไม่นานนัก ก็หลุดพ้นจากอาสะวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นท ร, ทรงส่งสาวกไปประกาศพระศาสนาภิกษุทั้งหลายสมัยนั้นมีภิกษุอยู่ประมาณ 168,000 รูปในกรุงพันธุมดีราชธานี ครั้งนั้นแลพระวิปัสสีพุทธเจ้าพระททบปลิกเร้นอยู่ในที่สงัดได้มีพระรำพึงอย่างนี้ว่าเวลานี้ในกรุงพันธุมดีมีภิกษุสงฆ์อยู่จำนวนมากถึง 168,000 รูปทางที่ดีเราควรประกาศให้ภิกษุทั้งหลายรู้ทั่วกันว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มาก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 สัตว์เหล่านั้นจะเสื่อมเพราะไม่ได้ฟังธรรมเราสัตว์ผู้ที่อาจจะรู้ทั่วถึงธรรมได้ยังมีอยู่แต่เมื่อเวลาล่วงไปทุกๆหกปีเธอทั้งหลายควรกลับมายังกรุงพันธุมดีราชธานีเพื่อแสดงปาติโมกข์ครั้งนั้นท้าวมหาพรหมองค์หนึ่งทราบพระรำพึงของพระวิปัสสีพุทธเจ้าด้วยใจได้หายตัวไปจากพรหมโลกมาปรากฏเฉพาะพระพักของพระวิปัสสีพุทธเจ้า เหมือนบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นเท้ามหาพรหมนั้นโมผ้าเฉวียงบ่าประนมมือน้อมไปทางพระวิปัสสีพุทธเจ้าเดีกกราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นข้าแต่พระสุคตเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นเวลานี้ในกรุงพันธุมดีราชธานีมีภิกษุสงฆ์อยู่จานวนมากถึง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 กลับมายังกรุงพันธุมดีราชธานีเพื่อแสดงปาติโมกข์เมื่อล่วงไปทุกๆ6หกปีพระพุทธเจ้าข้าเมื่อท้ามหาพรหมกราบทูลอย่างนี้แล้วจึงถวายอภิวาทพระวิปัสสีพุทธเจ้ากระทำประทักษิณแล้วหายไปณที่นั้นเองครั้นในเวลาเย็นพระวิปัสสีพุทธเจ้าเสด็จออกจากที่หลิกเร้นรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย เราหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดณที่นี้ได้มีความรำพึงอย่างนี้ว่าเวลานี้ในกรุงพันทุมาดีราชธานีมีพิสุสงฆ์อยู่จำนวนมากถึง 168,000 รูปทางที่ดีเราควรประกาศให้ภิสุทั้งหลายรู้ทั่วกันว่าภิสุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อเครือกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มาก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 เหล่าสัตว์ผู้ที่อาจจะรู้ทั่วถึงทำได้ยังมีอยู่แต่เมื่อเวลาล่วงไปทุกๆหกปีเธอทั้งหลายควรกลับมายัางกรุงพันธุมดีราชธานีเพื่อแสดงปาติโมกต่อมาท้าวมหาพรหมองค์หนึ่งทราบความรำพึงของเราด้วยใจแล้วได้หายตัวจากพรหมโลกมาปรากฏเฉพาะหน้าเราเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉนั้น เท้ามหาพรหมนั้นห่มผ้าเฉวียงบ่าประนมมือน้อมมาทางที่เราอยู่ได้กล่าวกับเราดังนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นข้าแต่พระสุคตเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นเวลานี้ในกรุงพันธุมดีราชธานีมีภิกษุสงฆ์อยู่จํานวนมากถึง 168,00 แรูปพระองค์โปรดทรงอนุญาตภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุกแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแต่อย่าไปทางเดียวกันสรูปจงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในถ้ำกลางและมีความงามในที่สุดจงประกาศพรหมจัรย์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนในโลกนี้ ยังมีเหล่าสัตว์ผู้มีทุลีในดวงตาเบาบางสัตว์เหล่านั้นจะเสื่อมเพราะไม่ได้ฟังธรรมเหล่าสัตว์ผู้ที่อาจจะรู้ทั่วถึงทมได้ยังมีอยู่ข้าพระองค์จะหาวิธีให้ภิสุทั้งหลายกลับมายังกรุงพันธุมดีรราชธานีเพื่อแสดงปฏิโมกเมื่อเวลาล่วงไปทุกๆหกปีพระพุทธเจ้าข่ะเมื่อท้ามหาพรหมนั้นเดีกล่าวอย่างนี้แล้วจึงถวายอภิวาทเรา กระทำประทักษิณแล้วหายไปณที่นั่นเองภิกษุทั้งหลายเราประกาศให้รู้ทั่วกันว่า mm. เธอทั้งหลายจงจาริกไป mm. เพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มาก mm. เพื่อสุขแก่คนหมู่มาก mm. เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแต่อย่าไปทางเดียวกันสองรูปจงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในถ้ำกลาง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 ได้จาิกไปตามชนบทโดยวันเดียวเท่านั้นสมัยนั้นในชมพูทวีปมีอาวาัดอยู่ 84,000 พแห่งเมื่อเวลาล่วงไปหนึ่งปีเหล่าเทวดาได้ประกาศว่าท่านผู้นีรัทุกข์ทั้งหลายเวลาล่วงไปหนึ่งปีแล้วบัดนี้ยังเหลือเวลาหปีเมื่อเวลาล่วงไป5ปีพวกท่านพึงเข้าไปยังกรุงพันธุมดีราชธานีเพื่อแสดงปาติโม เมื่อเวลาล่วงไปสองปีเหล่าเทวดาได้ประกาศว่าท่านผู้นิรัทุกข์ทั้งหลายเวลาล่วงไปสองปีแล้วบัดนี้ยังเหลือเวลาสี่ปีเมื่อเวลาล่วงไปสี่ปีพวกท่านพึงเข้าไปยังกรุงพันธุมดีราชธานีเพื่อแสดงปาติโ ม, มกเมื่อเวลาล่วงไปสามปีเหล่าเทวดาได้ประกาศว่าท่านผู้นิรทุกข์ทั้งหลายเวลาล่วงไปสามปีแล้ว บัตรนี้ยังเหลือเวลาสมปีเมื่อเวลาล่วงไปสามปีพวกท่านพึงเข้าไปยังกรุงพันธุมดีราชธานีเพื่อแสดงปาติโมกเมื่อเวลาล่วงไปสี่ปีเหล่าเทวดาได้ประกาศว่าท่านผู้นิรุตุกทั้งหลายเวลาล่วงไปสี่ปีแล้วบัตรนี้ยังเหลือเวลาสองปีเมื่อเวลาล่วงไปสองปีพวกท่านพึงเข้าไปยังกรุงพันธุมดีราชธานีเพื่อแสดงปาติโมก เมื่อเวลาล่วงไปห้าปีเราเทวดาได้ประกาศว่าท่านผู้นิรทุกทั้งหลายเวลาล่วงไปห้าปีแล้วบัดนี้ยังเหลือเวลาหนึ่งปีเมื่อเวลาล่วงไปหนึ่งปีพวกท่านพึงเข้าไปยังกรุงพันธุมาดีราชธานีเพื่อแสดงปาฏิโมกข์เมื่อเวลาล่วงไปหปีเราเทวดาได้ประกาศว่าท่านผู้นิรทุกทั้งหลายเวลาล่วงไปหปีแล้ว